ว้างจากการขโมยวางไว้กับที่กลับไม่อยู่กับที่เห็นของหายใจก็หายตามเป็นใครก็หัวเสียและเหี่ยใจไปหลายวันรู้แก่ใจไม่ใช่ของเราแต่ยังเอาของเขามา ใจต้องกล้าหน้าต้องด้านคนอื่นทำงานแม้ขอทานยังตากแดดปอดแปดทิตยังคิดเลี้ยงตัวจะกลัวอะไรกับการหาเองฉกคนเดียวไม่เคยพอเดียวต้องอยากขออีกอ้างวลีกเลี่ยงยากจำตากหน้าเป็นโจร โยนสำนึกทิ้งวิ่งราวก็เอาย่องเบาก็สู้ยิ่งเห็นลู่ทางยิ่งกลางขึ้นทุกวันได้เปล่าเหมือนไม่เสียอาจเสียยิ่งกว่าซื้อชื่อเสียงต้องย่อยยักตกอับต้องซ่อนเร้นเป็นหนี้บาปเสียท่วมหัวตัวไม่รอดจากกรงขัง คิดสงสารคนของหายง่ายกว่าคิดล้นเขากินไม่สิ้นลมมนุษย์นี้ต้องมีทางเอาตัวรอดโดยที่ซับผู้อื่นยังปลอดภัยเมื่อไม่เป็นโจรทั้งที่โดนบีบคั้นนั่นคือมหาทานประการที่สองครองตัวเป็นสุดจริตชนทนอดตายดีกว่าขายความซื่อ คนได้ชื่อว่าไม่มีดีกว่าได้สมบัติคนร้องไห้ร้อนเงินทองร้อนทำกินแต่ไม่ร้อนใจจากความฝ่าตาเมื่อว่างจากความคิดแบบโจรย่อมว่างจากอันตรายบนทางโจร